จ ะ, ะหลอนพอรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องสใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23พุทศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาเติมกำไรให้แก่ชีวิตชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตายพอตายแล้วเราก็เดินทางต่อไปส่วนที่ตายก็คือร่างกายส่วนที่ไม่ตายก็คือจิตใจจิตใจจะไปแบบกำไรหรือไปแบบขาดทุน หรือไปแบบเท่าทุนก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราสามประการด้วยกันถ้าไปแบบกำไรก็ต้องทำบุญถ้าไปแบบขาดทุนก็ต้องทำบาปถ้าไปแบบเท่าทุนไม่กำไรไม่ขาดทุนก็ไม่ทำบุญไม่ทำบาปนี่คือการกระทาที่พวกเราทั้งหลายได้ทำกันอยู่อย่าง ต่อเนื่องนับมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับเราจะทำการกระทำสามแบบนี้สลับกันไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่างๆ ต, ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร ไปทำงานนี่เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบุญก็ไม่ได้บาป ก, ก็ไม่ได้ทําทําแต่ภารกิจที่จําเป็นต่อการครองชีพการกระทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าจะทําการกระทําที่เป็นบุญการกระทํานี้ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่น เช่นตอนเช้าก่อนจะไปทำงานแวะซื้อข้าวใส่บาตรตัก บ, บาตรใส่พระให้กับพระอย่างนี้เรียกว่าได้ทำบุญได้ทำประโยชน์ได้สร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นส่วนการทำบาปก็คือการทำโทษทำความเสียหายทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเช่นไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำบาปเมื่อเราทำแล้วผลมันก็จะสะสมอยู่ภายในใจของเราเหมือนกับเงินทองที่เราไปฝากในธนาคารหรือเงินที่เราไปกู้จากธนาคารถ้าเราเาเงินไปฝากเราก็จะมีเงินฝากมีดอกเบีย้ย ถ้าเราไปกู้เงินในธนาคารเราก็เป็นหนี้ของธนาคารแล้วก็ต้องมีดอกเบีย้ยใช้ด้วยถ้าเราไม่ได้ไปที่ธนาคารไม่ได้ไปเอาเงินไปฝากไม่ได้ไปกู้เงินมาเราก็ไม่ได้มีเงินหรือไม่มีฉนีันใดการกระทําของเราในแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเราทำบุญอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันญาติโยมก็เหมือนกับเอาบุญไปสะสมไว้ในธนาคารบุญธนาคารบุญก็คือใจของเรานี่เองเวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจเวลาเราทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวาย ใจเราจะมีความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆมันจะสะสมไปภายในใจของเราไปเรื่อยๆในแต่ละวันบวกกับบุญกับบาป ท, ที่เราเคยทํามาในอดีต ท, ที่ยังไม่ได้ส่งผลพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะมีการคิดบัญชีกันระหว่างบุญกับบาปเพราะบุญจะดด่นใจไปทางหนึ่ง บาปจะดึงใจไปอีกทางหนึ่งทางของบุญก็คือสวรรค์ไปสู่สุขคติทางของบาบก็คือทุกขคติหรืออบายขึ้นอยู่กับว่าบุญกับบาปนี้ฝ่ายใดมีกำลังมากกว่าเหมือนกับเวลาที่เราเล่นชักขเย่อกันฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางฝ่ายนั้น ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยกว่าก็สู้ไม่ได้ฉันใดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปที่เราได้สะสมไว้ในใจของเราก็จะเล่นชักขยอดกันจะดึมกันดึงใจของเราให้ไปสู่สุกติหรือให้ไปสู่ทุกขติขึ้นอยู่กับฝ่ายใดมีกำลังมากกว่า ถ้ามีฝ่ายบุญมีกำลังมากกว่าก็จะเดึงให้ไปสู่สุคติที่มีมีสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เรียกว่าสุคติเป็นที่ไปของผู้ที่ทำบุญส่วนผู้ที่ทำบาปทำบาปมากกว่าทำบุญ ก็จะถูกบาปให้ลากไปสู่อบายอบายก็มีอยู่สี่ชั้น mm hmm. เดชะชานเปรตอสุรกายและนรกพอไปอยู่ที่สวรรค์หรืออยู่ที่อบายแล้ว mm hmm. ก็จะเริ่มใช้หนี้ถ้าอยู่ในอยู่ในอบายก็ใช้บาปบาปที่เราทำ mm hmm. ก็จะค่อยๆจางไปจางไป ถ้าไปอยู่ที่สวรรค์บุญที่เราสร้างไว้เราก็จะเสดความสุขจากบุญแล้วมันก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเวลาเรารับประทานใหม่ๆก็อิ่มท้องแต่พอปล่อยไปสักระยะหนึ่งอาหารก็จะย่อยไปหมดความอิ่มท้องก็จะหายไปความหิวก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ พอพอบุญที่เราทําที่เราได้ไปรับผลในสวรรค์ลดลงมาเท่ากับบาปที่เราทําไว้แต่ยังไม่ได้ส่งผลใจของเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่เช่นเดียวกับบาปที่เราทำเอาไว้ถ้าเราไปเกิดในอบายพอบาปที่เราได้สร้างไว้มัน จางลงไปจนมีกำลังเท่ากับบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกันแต่ผู้ที่กลับมาจากอบายกับผู้ที่กลับมาจากสวรรค์นี้จะมีบารมีไม่เหมือนกันผู้ที่กลับมาจากสวรรค์นี้จะมีบารมีคือมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานมีอาการครบส2มสองมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมมีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลตรงนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นก่าจะกลับมาทำบุญต่อกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อ ส่วนพวกที่กลับมาจากบายก็จะเป็นผู้ด้อยวาสนาด้อยบารมีเกิดมารูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสอาการก็ไม่ครบ32อายุก็ไม่ยืนยาวนานฐานะการเงินการทองก็ยากจนแล้วก็จะติดนิสัยทำบาปมา พ อ, อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสทำบาป ก, ก็จะทำบาสเช่นจะไปยิงนกตกปลาตอนที่เป็นเด็กๆนั ก, ลกเล็กขโมยน้อยโกหกหลอกลวงเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ไว้ในใจที่ไม่ได้บวชไปกับบาปที่ทำไว้เช่นเดียวกับนิสัยที่ชอบทำบุญชอบรักษาศีล ชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธินิสัยนี้ก็จะฝังอยู่ในใจพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาทำตามนิสัยเดิมใหม่นี่คือเรื่องของบุญบาปที่เราทำไว้และนิสัยที่เราได้ทำมันจะติดมากับเรา แต่นิสัยนี้เราก็เปลี่ยนได้เช่นถ้าเราติดนิสัยไม่ดีมาเช่นชอบพูดปดถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมเรารู้ว่าการพูดปดนี้เป็นการกระทำที่ไม่ดีทำให้เราเสียเครดิตทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถืออย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระราหุล ที่เป็นพระราโจรสหลังจากที่พระ อ, องค์ได้รับพระราหุลมาบวชเป็นสัมมเองพระ อ, องค์ก็ทรงสอนเรื่องสัจจะเรื่องของความไม่พูดปดทรงยกทรงตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็เทน้ำออกมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สอนพระราหุลว่าราหุล น้ำที่อยู่ในขันนี้เหมือนความดีของเธอความน่าเชื่อถือของเธอทุกครั้งที่เธอพูดปดก็เหมือนกับเธอเทน้ำที่อยู่ในขันนี้ทิ้งไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเธอพูดปดไปเรื่อยๆต่อไปน้ำในขันนี้ก็จะหมดไปความดีคือความน่าเชื่อถือของเธอก็จะหมดไปเธอจะไม่มีใครเชื่อ จะทำอะไรก็จะลำบากนี่คือ<ม>เรื่องของ<ม>ความดีเช่นสัตว์จะ ก, การไม่พูดปดถ้าเราสมมุติว่าเราเคยติดนิสัยพูดปดมาหรือว่าเรามีความจาเป็นเนื่องจากเราต้องทำมาหากินแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดความจริงจะทำให้เราหากินไม่สะดวกเราก็เลย ต้องพูดปลดเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เข้ามาอย่างสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราทราบถึงผลเสียหายที่เกิดจากการพูดปลด <c oughs> เกิดจากการทําบาวว่าสิ่งที่เราได้มานั้นได้ไม่คุ้มเสียเราอาจจะได้เงินทองมาแต่ถ้าเราทําบาวเรา ตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายซึ่งมันไม่คุ้มกับการยอมเสียเงินเสียทองหรือเสียรายได้ไปบ้างแต่อย่างน้อยเราไม่เสียจิตใจเสียสถานภาพของมนุษย์เสียสถานภาพของเทพไปนี่คือถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะหักห้ามจิตใจของเรา ทุกครั้งที่เราอยากจะพูดปดเราก็ต้องนึกถึงวิบากรรมของการกระทำบาปที่จะตามมาต่อไปถ้าเรากลัวบาปหรือมีความละอายในบาปเพราะเวลาเราทำบาปเราก็ไม่อยากจะให้ใครรู้เพราะเวลาใครเขารู้แล้วเขาก็จะตำหนิหรือเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราดังนั้นถ้าเรามีฮิริโอตปะ มีความละอายในบาปมีโอตปะคือความกลัวผลกลัวของผลบาปที่จะตามมาเราก็จะสามารถยับยั้งการกระทำบาปได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีนิสัยที่จะทำบาปนิสัยไม่พูดปดก็จะเลิกไปถ้าเราพูดความจริงไม่ได้เราก็เฉยๆไว้เท่านั้นเองไม่เสียหายอะไร ไทยก็ถามอะไรถ้าเราคิดว่าพูดความจริงแล้วเกิดความเสียหายเราก็ไม่พูดท่านนั้นเองเขามาบังคับให้เราพูดไม่ได้แต่เราอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่พูดเราอาจจะเสียเพื่อนเสียลูกค้าเราก็ต้องคิดว่าการเสียเพื่อนเสียลูกค้านี้ดีกว่าเสียตนเสียตัวเองเสียจิตใจของความเป็นมนุษย์ ไปสู่กามเป็นเดรัจฉานเป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดการกระทำบาปได้เมื่อเราไม่ทำบาปหรือทำน้อยลงและเราทำบุญมากกว่าทำบาปภกชาติของเราก็จะเป็นสุกติไปทุกครั้งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งก็จะกลับไปเกิดเป็นเทเพเป็นพร จนกว่าเราจะได้เกิดเป็นพระอริยเจ้าและไปถึงขั้นของพระอรหันต์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาเติมกำไรของชีวิตเราต้องเติมด้วยการทำบาปเราอย่ามาสร้างความขาดทุนให้แก่ชีวิตด้วยการไปทำบาปต่างๆบาปเราต้องพยายาม หากห้ามจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนถือศีลห้าเป็นประจัาเป็นนิจจะศีเพราะว่าถ้ารักษาศีลห้าได้จะปิดประตูอาบายได้จะไม่ต้องไปเกิดในอาบายคือต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมา และอบายามุขต่างๆเพราะเวลาที่เราเสพสุรายาเมาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการกระทาบาปแต่มันจะเป็นเหตุที่จะทาให้เราขาดสติถ้าเราไม่มีสติก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกพอรถจะวิ่งไปชนคันอื่นเราก็จะหยุดไม่ได้ฉันด้เวลาที่เราดื่มสุราแล้วใจเราคิดไม่ดีขึ้นมา คิดที่จะทําบาปขึ้นมาเราก็จะยับยั้งการกระทําบาปไม่ได้เช่นเดียวกับการเสพอบายอามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรการมีความเกลียดคร้านการกระทําเหล่านี้มีแต่จะทําลายทรัพรยากรคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา มันไม่ได้เป็นการกระทำที่ทำให้เรามีรายได้ทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นแต่จะทำให้เงินทองของเราน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าหมดเนื้อหมดตัวเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้หางเงินทองมาเสบอบายอนุกตต่อดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะไปเสบอบายเสบอบายอุกต่างๆ เพราะคำว่าอบายามุกก็แปลว่าประตูสู่อบายนั่นเองทางเข้าสู่อบายอบายแปลว่าที่เกิดของเดรัจฉานของเปรตของอสูรกายของนรกมุกก็แปลว่าประตูหรือถานทางเข้าผู้ใดถ้าไปยืนอยู่ปากถานรเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะเดินเข้าไปดังนั้นถ้าไม่อยากที่จะต้องไป เกิดในอบายก็ต้องหลีกเลี่ยงการเสพอบายนุก ค, คือการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการ ค, ารครบคนไม่ดีเป็นเป็นมิตรและก็ความเกลียดคารางถ้าเราเหลีกเลี่ยงการกระทาเหล่านี้ได้โอกาสที่จะถูกบังคับให้ไปทำบาป ก, ก็จะมีน้อยแล้วเราก็จะได้ ไม่ต้องไปทำบาปเมื่อไม่ทำบาปก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปต่อไปเราส่วนบุญพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำอยู่เป็นประจำอย่างชาวพุทธเราในสมัยอดีตจะเป็นแบบชาวบ้านอยู่ตามหมู่บ้านกันแล้วจะมีวัดประจาหมู่บ้านทุกวันก็จะมีพระออกมาโปรดสัตว์มาบิณฑบาตชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้ทำบุญตัก บ, บาต แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราอยู่แบบเมืองใหญ่ซึ่งวัดบางทีก็ไม่มีแต่ถ้าเราอยากจะทําบุญใส่บาตรเหมือนกับที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กระทําเราก็ยังทําได้โดยที่เราเอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาสนี้ใส่ไว้ในกระปุกใส่ไว้ในกระป๋องแล้วก็ทําความเข้าใจว่ า, ว, าว่านี่เป็นเงิน ทำบุญใส่บาตรแล้พอเวลาที่เรามีวันหยุดมีเวลาว่างเราอยากจะไปวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาซื้ออาหารถวายพระต่อไปก็เรียกว่าเราได้ทำบุญอยู่ทุกวันการกระทำทุกวันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะทำให้ติดเป็นนิสยัยถ้าเรานานๆานานทำทีนี้มันจะไม่เป็นนิสยัย และเราก็อาจจะเผลอลหรือเมื่อถึงเวลาที่จะควรจะทําก็ไม่มีเงินทําก็ได้เพอเมื่อแต่เอาเงินทองไปซื้อความสุขตามความอยากของกิเลสตัณหาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือของเล่นของอะไรต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นแต่ใจอดไม่ได้เห็นแล้วก็อยากได้ พอถึงเวลาที่จะต้องทำบุญก็จะไม่มีเงินทำบุญแต่ถ้าเราแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งทุกวันแล้วก็บอกตัวเองว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินทำบุญจะไม่แตะต้องโดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดก็ตามพอถึงเวลาที่ต้องมีการทำบุญเราก็จะมีเงินที่จะทำบุญกันแล้วมันจะติดเป็นนิสัย เวลาเราทำบุญแล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเราได้รับประทานอาหารแล้วจะทำให้เรารักษาศีลได้เพราะผู้ที่ทำบุญนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาจะคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นอยากให้ผู้มีความสุขอยากให้ผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำของเรา เราก็จะไม่อยากจะทำบาปเพราะการทำบาปนี้เป็นการสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นเองการรักษาศีลก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลปาต่อไปเราก็เริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปในวันพระวันธรรมดาเราก็ รักษาศีลห้าไปวันพระเรารักษาศีลแปวันพระในสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นตามวันที่ทางวัดกําหนดไว้ mm. เช่นวันขึ้นแรงแปดขั้หรือสิบห้าขั้เพราะสมัยปัจจุบันนี้วันหยุดการทำ ง, งานของเรามักจะไม่ตรงกับวันพระเราก็ใช้วันหยุดของเรานี่แหละเป็นวันพระของเราแทน เพราะเราไม่ต้องไปทํางานทําการเราอยู่บ้านได้เราไปอยู่วัดได้ถ้าเราอยู่บ้านอยู่วัดการรักษาสิ้นแปก็จะไม่ยากแต่ถ้าเราต้องออกไปทํางานนี้นการรักษาศิ้นแปดจะยากเช่นการรับประทานอาหารไม่ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็จะยากเพราะเรามักเียพัก ร, รับประทานอาหารกันตอนเที่ยงวันดังนั้นถ้าเรา อยากจะรักษาศีลแปดเราก็เอาวันหยุดการทำงานของเรานี่เป็นวันพระของเราแล้วก็รักษาศีลแปดไปแต่ถ้าเรายังอยากจะรักษาศีลแปดในวันทำงานถ้าเรื่องของการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันบ่ายนี้ทำไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปชั่วโมงก็ได้ไม่เสียหายตําไหนเลื่อนไปเพื่อที่จะได้รักษาศีลของเราได้ เวลานี้ก็เป็นเพียงการกําหนดคร่าวๆเท่านั้นเองแต่เป้าหมายของการไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เพื่อตัดนิวรคืออุปสรรคที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิของเราเพราะถ้าเรารับประทานอาหารเย็นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะยังกวน กังวลอยู่กับการรับประทานอาหารเย็นอยู่และเราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องนั่งได้เดียวๆพอถึงเย็นก็ต้องรับประทานอาหารอีกแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเย็นหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับเรื่องการรับประทานอาหารเราก็จะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนี่คือเหตุผลของการที่ให้เราไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเพราะมากเกินไปจะทําให้ขี้เกียจจะอยากนอนเวลานั่งก็จะหลับจะเป็นอุปสรรคนั่งแล้วก็จะไม่เกิดผลแต่ถ้าเรารับประทานอาหารพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้เวลาเรานั่งสมาธิ เราก็จะไม่ง่วงเหงาหานอนเราก็จะสามารถนั่งทำใจให้สงบได้เวลาใจสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าการได้จากการรับประทานอาหารความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง น, นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามหยิบยื่นให้กับพวกเรา พยายามให้พวกเราได้เข้าหาได้พบกับสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องไปพึ่งบุคคลต่างๆที่ไม่แน่นอนบางวอกทีเราก็พึ่งเขาได้บางทีเราก็พึ่งเขาไม่ได้บางทีเขาก็จากเราไปแต่ใจของเรานี้อยู่กับเราตลอดความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ ก็อยู่กับเราไปตลอดเราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาเท่านั้นถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังเทศฟังธรรมได้แต่ถ้าเรามีเวลาเราก็จะสามารถสร้างความสุขภายในตัวของเราเองได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามหาเวลา ให้กับการสร้างความสุขแบบนี้ให้มากๆถ้าเราไม่จาเป็นจะต้องหาเงินหาทองมากมายกายกองก็ควรจะลดการทำงานลงให้น้อยลงที่แทนที่จะทำห้าวันก็อาจจะลดเหลือสี่วันเหลือสามวันและเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ตามวัดต่างๆ เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะคอยบครบกวนจิตใจทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ต้องไปปลีกวิเวกเราพยายามหาเวลาให้มากกับการปฏิบัติเพราะผลที่เราได้รับจากการปฏิบัตินี้มีคุณค่ามากกว่าผลที่เราได้รับจากการทำงานทำการ เพราะเงินทองที่เราหามาได้นี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจเราได้เวลาเรามีความไม่สบายใจแต่ความสงบนี้ดับความทุกข์ใจได้และเงินทองนี้ก็เป็นของชั่วคราวอยู่เพียงขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปได้แต่บุญคือการทำใจให้สงบนี้ ไปกับใจของเราเวลาเราแก่ก็จะแก่อย่างสงบอย่างสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสงบอย่างสบายเวลาตายก็เหมือนกันตายอย่างสงบตายอย่างสบายเพราะใจของเรามีความสงบที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเอง นี่แหละคือการไปของรพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านไปแบบไม่กลับท่านไปอย่างสงบไปอย่างปรลมังสุขขังพวกเราก็สามารถที่จะไปแบบนี้ได้ถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอามาปฏิบัติกับเราเริ่มต้นที่การให้ทานแล้วก็เข้าไปสู่การรักษาสี แล้วก็เข้าไปสู่การภาวนาตามลำดับต่อไปทุกคนสามารถทำได้เพราะทุกคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมีจิตใจมีร่างกายเหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันอยู่ที่ความเห็นเท่านั้นว่าเห็นว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเราทาไม่ได้เราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราเห็นว่าเราทำได้เราก็จะทำ พอเราทําแล้วเราก็จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเพราะผลเกิดจากเหตุคือการกระทําเท่านั้นไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเสรให้ผลเกิดขึ้นกับเราได้ท่านเป็นเพียงแต่ผู้บอกเหตุให้เรากระทําเท่านั้นอยู่ที่เราว่าเราจะทําเหตุนั่นหรือไม่ถ้าเราทําเหตุผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเติมกำไลให้แก่ชีวิตด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา